ถ้่ยสรมภาพปฏบาทเนี่ยมากกว่าที่จะไปทำางานยืมนี่นี่องยื่แตองนอนเนี่ยมันยาวรุ่นถึกได้เจ้ามันเป็นประจุบันเ่อเนื่องนะธุรกิมันสมบูรณ์เลยเนี่ยการภาวนาใช้ง่ายทั้งหมดเลยความเชื่อเราก็จะเปลี่ยนหมดเลยที่ไม่เคยเชื่อวามันจะเชื่อเพราะมันเราทิตที่ถังว่ากอดพระทธเจ้าสอนแล้วมันอไปของจริงไง เห็นจริงเห็นังไม่ใช่เป็นคนั้งสือหรือว่าอคติเราบอกให้ความเข้าใจนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวจริงเยตัวจริงวันจริงเราเป็นนะนะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันใจเข้าใจไม่ต้อคิด่นี้ว่าตามแบบอยู่เรือ่อยอย่างนี้เหนะ็นไหมทุกข้าง ไ, ไปธรรมวิชิตผสมมาดต้องว่าเรื่องนี้ธรรมทานเร่งนี้าานนพูดว่าพูด ป, ประชามผสเรื่องนี้กมดเป็นที่พึแต่เราว่าตามนังตือไงแล้วไม่รู้มวามหมายไงเราว่าตั้งเต้าท้างดดูนะ เท้าท้ามีความหมายนักวาแบอว่าโู้วาดพระเจ้าหมายความว่าเราเริ่มเ้าใหม่ความหมายเ้าแปลงขยายความชีวิตใหม่ที่มีความบริสุทธิ์มันมีทุกข์มันมีโทษมันมีเรยนมันมีภัยมันมีบาปมีความเจริญพเพราะมาถึงพเจ้าพระธรมมันสเป็นบรมคูที่กายสะอาดพระเจ้าใจสะอาเรื่องโลกนะมันผู้รู้แจ้งโลกมาสอนเราบอกเราไปเอากาใจใจเราเข้าวัดเนี่ยมาทาตาม มาวัดดูว่าเรนทำตามหรือยังไปทำตามไหมนะมันอยู่ในเกณฑ์ในมาตรฐานเออมันจะมีอนุภาพมีมิสม์ก็เราก็จะ ท, ทุกข์โทษมาใหญทุกข์โทษมันจะมา ไ, ไหนไม่ได้ท่าสีมาให้เราบางคนไม่แบบไม่บบ่าแบบา่ไม่ได้สีเอออย่าิแค่ที่จริงมันบอกให้ตั้งใจทำทานอเอากายวิญญใจเนี่ยไปัดไปเว้นวนะให้เวรนี เวรามันมีแปลเป็นอะไรงดแหงนโทษนะนะในทำละชีวิตท่านนะปานอนวาสไปทำชีวิตท่านเลยท่นตายอ่ะมันนั่รีใครอ่าชีวิตท่ามท่ตายบ้างนนี้ทั้งคนแหละวันนี้เราตื่นมาแล้วเามีชีวิตเรางาัยนะใครก็หัวแข่งซักไม่รับไม่ละโมม่แล้วให้กันไม่พีดอกพีเชิดไม่รับเสียอกเสียใ้ำเค็มนะแล้วทำให้เราเป็นกรรมไม่ได้รับตลงไปเลยตรงตนนี้ โจนไฟไหมโจนไฟยุคพัดโจนน้ำทวมโจนไปดินไป้มาเกิดไปทุกมาก้อนเเราไม่เกิดใไปเท่ไม่จป็นเราน่ไปเจอแยกก้อนแะเราไปโทษธรรมชาติแต่ที่เราทำช่วยปิดสีเรานี้แหละมันต้ออยู่ในที่นะไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครมีควารู้ถึงเดี๋พเจ้ารู้ถึงบอกหมดเรยว่าจสีนีงเยี่ยมลกคุ้มทัหมดพี่อันนี้มาต้องเป็นผสมเพราะเจะมาว่าเน่ ตัวังสือมันไม่ไม่ถึงใจหรอกเดี๋ยวมนตาเนี่ยยังไม่ดีพึ่งเลยนะเข้าใจนั้นอนะ่ะเมื่อเนี่ยโทษที่ผมไม่ครอบคัวไม่เห็นรูกวาย่าโอนยากามีเมียเขาไม่แยกเมียไปไหนผัวเขาไม่แยกผัวไปก็โทษการ ม, มืองมีอาจารย์นี่เลย อ e ี้มันใช่ใจมันยืนยืนบั้แตก็้ดแ่ขาดพูดยัยากอะไรก็มีพูดพูดทำมีนี้ e ำมีตาจารย์ก็ัวิินมเลยไม่เห็ี่ไหนมีกิ๊กขึ้นมัตขาเา้นก็ไม่เป็นีั่นนันนีมต้มมันลอดรัวกันไปตเรนตอนะาวดัปไม่ได้ดก็นี่หะกัน้มเ แต่การเอาใจนะไว่าจะิุกระพ่มองมเสัด้วยเสียจะีงานเียานด้สียจิมนุษย์ด้วยโทษเรานี่แหละถ้าเรามีสงนีไม่ไม่ไม่เดร้องจะไปจับไปปุ้ม็ไปเลยนะเนไมท่ยนมันอยู่ตรงนี้แหละเป็นมมันไม่มีสิ่งท่นมันะเคนมีใจสูงนูงแหละนี่แค่นั้ะ้ว่าคนมอดก็คือของของสิมันรวมกัน ยังแยกยังเหลือหกบีชั่วแต่คนไม่รู้มันกนะอกไหเข้าใจนะอน๋อนวันทำเรื่องงมงายอยู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นผสมอยู่เรื่อยจะไม่รู้เนะื้อหาต้อเลียวอะไรทั้งกาลนานะเราตัใจแบบนี้นะโมตัสสะโนะโรนาโตตมะตะุตสะนะโมตัสสะโนะโรนาโตตมะตะุตสะ นามูตัสะนุวะโตอรนาโตตมะตะมุตัสะ Om <Num> Brahmanam Yamini, a m a h y a m <Num> i <Num> ได้นอกอย่างเนี้ยพุ่งไม่ได้ทั้งหมดเมื่อเราไปมาเป็นปฏิยานตนด้วยพระพธเจ้าพระธรรมมาตึมเป็นเช่นนั้นที่เิ็นที่ดำติแล้วถ้าิว่าเราเป็นพุทธบุตรพุทธิชนน้อก็ู้าั้นให้เข้าใจง่ายนะจะบ้านี่มาเป็นลูกพริจ้าใช่ไมลูกมันมีสองลูกลูกที่เกิดจากสายเือดันหนึ่งเป็นพ่อแม่อันนี้เรารูกตัวจากโดยัจักานอยตัวเป็นรูปพระเจ้า มะจะแม่เป็นลูกตีงั้นจะไปเป็นลูกเพราะเพ่อแม่รับรูกอย่างไรพระเจ้าเราเลี้ยงเราอย่างนั้นต่างกันในว่าพ่อแม่เนี่ยยังมีโรคปวดหลงมีกิเลแต่พระเจ้าเราเนี่ยชาระกิเลมาแล้วตายสะอาดพระเจ้าตัจะไม่มีโรคปวดลงเวลาอบรมตัดสอนเมตตามาแล้วพุณธาไปแล้วมุนิตามาแล้วเราไม่พุดตามปฏิบัติตามท่านก็องเมตตาวางเฉยได้รู้จักหนาหนาหนาหัว่าเป็น แต่พ่อแม่สอนลูกแล้วเราลูกแล้วลูกมันก็ตามไม่ได้กตามกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะยึดมันถึงมั่นกพยังมีก็คุ่นหลงท่านพาทธาตรงนั้นแต้เราลุยนะทีนี้ันเรารั้วมันเรารเลาะมาลูกท่านเป็นมันจำมาสอนเราให้เราตั้งใจทำทานไงให้ร่างกายมัีรัาเนี่ยไปงดไปเว้นซึงทุกซึ่งโดดซึงเว้นมันใช่ไหมนะจะพูดพุทาเราข้าใจแอร์เราจะแกงงี้นะมันเป็นผลรัาพัน ถ้าไม่ทำคำในสมนี่เป็นมาว่าเรื่องแบนี้เราแต่เรื่องว่าเรารู้สึกเราไม่ชอบเตอนัจิยความมันไงที่คือยาชาเห็นภาพเนาะอารมณังใจนี้เพราะว่านีเป็นเป็นสีลตัมบัตรธมจิตตบัตรธรรญยาสัมบัตรติดตัวเราไปยังไไม่ติดเราอ้นี้ก็ติดเป็นตัมบัของเราแท้ทาราตัมบัตรีลัมบัตรภาวนาสัมบัตรนี่เป็นยาชาติดไอ้นี่เป็นพุทธะปัจจัยตั้งอาศัยไม่ติดไป แต่นี่ใจปิดไปมันมองตามตัวเอาไปไหนเราไปไหนมองไปนั่นยังไอันนี้ใจ uh, เรา s. <S ไปไหนมุ่งตัวไปกับใจเราไหมที่เราฉลาดาพูดสดใสใจของเราแต่ทำเป็นวิธีให้เข้าใจในเนื้อหานะเราตั้งใจแล้วบา t ฑีปาราเอรัมณีสิกขาปังละมาริยาสิ Om Namah i a y a ครบบุคลัเยจะปิดประตูว euh ิาภูมิไปสวรรคิพานพระธรรมมโซตมีเยท่านชมชรรมรักศีนุชท่านหรือการวาจท่านให้บริสุทธิ์เธอความหมายนี่ยเ่ไหมให้ธมรักถ้าเราไปเพื่อนมาต้องน้ำอมเห็ไหมเจ้าป้าจประธรรักมือจี๊ดธรรมรักตาโปะธรรมรักเปานยัอไงครับเออใจ่เออ มาจารุปาภิตะสีสปติการันเจริญนวรังยากาลสัมตุปะปะระพระคาถาติกาเทเสตุปธรมมังานุปปิมังปัญจมัง เ i ้าจ้างมาบอกว่าเล็กเยอะว่ะอาภัทรตาภัตตาขอให้กิริ o าม o บเจ้าท่านเป็นตัวอ่ะเป็นมงคลอย่างล้นหลดไม่ใช่ทำให้มาถูกแต่นะโมตัสสะโ a ะโตอะระหะโตตัมมะตมุตตะนะโมตัสสะนะโตอะระหะโตตัมมะตมุตตะนะโมตัสสะโะโตอะระหะโตตัมมะตมุตตะขอน่อมมาทั้ อดปฏิสัมภิทาผู้สยามปูนโนหรืผู้กตัญญูเองโดยถูกทั้สองนั้นพุทธังตรนังกัจจามิธรรมตรนังกัจจามิธรรมตรนังกัจจามิอิมัสสะสมมตุอิสสะอัตโตสัตมตสัจจธรรมโมโสตัโบสีนั่งหอะเลยนั่งฟังไปทราบปฏิบัติเวลาน้อยลงมาสีพิจิตรามา มันเดือนใดเวลาเขาถึงมากนะเห็นมีที่เปิดที่มันเชื่อมไหมนีแยที่ทุกประทั้งมี่นี่ครขาดกรระทที่ไหนอย่างที่อยู่ในศาสนาได้นี่ก็อะไรกันกระทำี่แหนไม่ดีใครมาบอกไหมจิตรูปเบรยไปก่อนนะนั่นแหพอไปถึงหาท่านท่านทุกวารจไม่ต้องรอใช่ไหมมาูกาันฝชั่วรักได้คืออไห้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอยานั้นจะไบายไปน่ ทำเรียนทางเงี้ยโดยเป็นคนั้นไม่อนาะพไปเดินกระทบโอ้มันขาดมันบาใจมันเบาคนมันหนไปดเนี่ยพอโมามันมันมันโมร้ายมันหลุมี่อดโม่โม่โรอนจบก็มาเป็นคนไปตามตามเพื่อนว่าแหมเย็นในหัใเราพี่นะเออมันมีอยู่ดิทำพี่อยาก้องมาแตโอมันทโ้องมาเนา่ โอ light, ้หาน้องมาตามที่น้อใบทธรรมคุณเนี่ยน้อบอกนะพุทธครรมคุณบอกขิบัตินี่แหละแต่เราไมเข้าใจเราไม่จดจำได้สดได้วาดได้ไงเป็นต้องแก้เป็นองทอเป็นอวบขยายความรน้องมาตามแล้อมันอยู่ในลมมันเเราไม่รู้ไม่เป็นประชีวิ่งไม่รู้ว่ามันาาเปนีไงพอเราตามน้ก็ฟังบทพมาใจมันเย็นเข้าเย็นเ้าเปนรวมว่าิับหมด เตียา oh, ีเ so นี่ยโอ้เนียจิตสงเป็นอย่างี้เนี่ยวางจ้าทหมดตายเบาใจอแล้วายตาจิตตาหุบไปเมดานยอ๋อยทินเลยยนมานนังสือนี่ยแต่ว่ามันมีตัวจริงไงพอจิตมันเป็นตัวตัจริงขึ้นมาโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เองเองเนี่ยมันก็เชื่อเลไม่ใช่บอกไปความก็เชื่อที่มันกิบ พัฒนาสนามอย่างปริยัติประจิบัตประจีเวสปริยัติุสอนเราต้องทำศาสนา ไ, ไม่ใช่ศาสนาขอไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนไม่ใช่ศาสนางมงสวงไม่เหยวัดวัดไหนทัศน์ศรีเราไปไปกล่าวไปว่าเราขอพร อ, อยู่แล้วมันไม่ใช่ถ้าทำได้อย่างนั้นใจก็ไม่บวมดิเหนืออ่อยล้าเหนะมือนกันใช้ยืดเุกยนไปขอเอานนเลยทำไมนั่งเจ็บหลังเจ็บเยวทำไมเดินง่ับให้ ปวดไปมดทาไมเนาะใช้ชีวิตอย่งพวกโยมอย่งเรเรื่องเราขอเอาก็ได้ปวดนี่มันไม่ได้ไงมันต้องปฏิบัติเอาหรือว่าปฏิบัติตั้งปฏิบัตตังอันนี้เป็นของเฉพาะตนใครกินใค่ยิมใครทาไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะนเราอย่าไปศาสนาพิธีขอให้ไปปฏิบัติแบบศาสาพุทเนี่ยมันไม่ทัาใจจะพูดเองทาอะไรทีจะมาหาขได้เท่าเพราะฉั้นเราย่าันปวดไปไวๆทำทีวันเดีว่า ใ้สมอย่างเี้ยเือไปถูกําหลักันตอนาตรฐาเราก็ไม่เอาแบบของเล็กน้อยแพ้จริมันมาจากของ็กน้อยอย่างเงี้ยนันยังไม่โยเจ้าสอนยัไม่ความานไม่เห็นน้ํายดกีละ้ยดมันไม่เต็มนะองกินายที่ะหยดยดไปหยดแล้วก็เต็มอันนี้ททุกวันอยู่เดินนั่งนอนเนี่ยทำทุกวันเอออย่าไปคาดหวังให้ทำเหตุไวอันนี้เราคาดหวังนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้อย่างนั้นทไมทำเบบครับทุกวันเมื่เรากินข้าวกินทุกวัน อาหารกายอะ ก, กินทกวันยังอิ่มมีเที่ยวมีอะไรทำปอยู่ใน์ไดมากมายเห็นจิตของเรามางทีนะอเราอพุโทโธทุกวันร่างกายเรา ม, มันหยากมันกินอาหารใช่ไหแต่จิตเรานี่เป็นของละเอียดมันไม่ได้กินอาหารหยาบได้ต้องกินพุโทโธทาหมูทัท้งตัวอะไรก็ได้เนี่หรือหรือจะภาวนาก ร, กระดูกกระดูกก็ได้อะไรเงี้ยหรื อ, รอใส่รักก็ได้หรือดูลมธาตุสี่ก็ได้มันมีทุกสี่ทิศพ้องอันไหนที่มันถูกจังเหตุของเราเนะ้ยะ ทำให้มันจริงจริงันกมลงไปแล้วพอมันปรากฏคิดแล้วนบรูเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไปตัดขีปาวาตัดสินนัเนี่ยคามเช่วเราไม่ใช่ไปเที่อในความมานะใคนงมันให้อเน็นนะมันจะเป็นหลักแต่ตามที่เราบอกกล่าวสัดสีนแ้วเราโอ้อันนี้จริงไปน้กแล้วมันปรกฏโตัวเรามนใจเรายตรงนี้่เราดึงหมกูไปเนี่จัวังจะไว้เข้าใจนะโอ้เรียนสิว่าพุทธะพุทธะ ที่เราพุทธเจ้าพุทเจ้าบอกนี่เองเราทราบรู้นี้เองเป็นการทรารู้นี่เป็น่าตเนอแต่ไม่เกิดจากทางอื่นละเกิดจากาคะปฏิบัติเดี่ยวไม่ภาวนาที่ไม่เกิดขึ้นพราเพราะรไม่เห็น่านรู้ขันมาชัดเลยอ้นี่ที่มาัมรู้เรียกพุฒิฆาหรือพุฒโทอ๋อจาก่านรู้นี้รู้อยู่ตลอดเลยเนอารู้ใจคือ่านรู้ใจคือ่านรู้นะใจยึดกลางอ่ะมันจะจากตาเมื่ ใจกางมันจะไป็นัาตรู้นั้นพอเห็นธาตุนั้นนหผู้ใดเห็นเห็นเราหรือผู้ธาุรู้ผธาตุใช่ไผู้ใดเห็นเราผน้ใดเห็นธรรมะนี่นั่นก็ไวยากรณ์การนั้นการนี้ธรรมชาตินั้นธรรมชาตินะพระใหญเราไปไ้นได้อะไปทำไมนได้ไป็ธรรมชาติธาตุรู้นั้นอะแต่มันเป็นธรรมชาติที่ที่เราดุเราทักพ้องไงเราเคเข้าไปวนนี้เข้ามาใจเลอบางคนไม่เข้าใจอ กงจะมาหลงเองไปหาวัตถุหาไทยวัตถุนะอันนั้นเป็นทางพุทธศาสนาเนี่ยหาใจวัตถุเป็นวัตถุพราะถ้าท้งวิญยาศาสตร์ก็มีหน้าที่หน้าที่เขาคือฟอกหรือฉุดฉีดเวนดาฟอกเวนําให้เป็นเวนแดงเป็นสีฟองใตรงนั้นหนละแตนี้ใจของพรเจ้ทาที่ว่าเป็นนามธรรมไม่ตอรู้เลยถาว่าเนธาตุให้ละเอียดก็มีกหกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใช่ไหม สี่ธาตเป็นหวามพุทรูปแมีเพิ่มมาอีกก็วิญญาณธาตุารูนี่แหละตัวนี้เกิดไม่เป็นตายไม่เป็นแล้วมีอากาศธาตุคือช่องว่างเนี่ยอันนี้เราเรียว่ามีช่องว่างมันกระติกกันอ่ามันม่ช่องว่างมันมีช่องว่างมันเนยไม่ไม่ติดกันมันจะบุกเราเนียมันมีช่องว่างมันจะมีรูนี่รูหูเราเนี่ยมีช่องว่างแล้วันนี้อากาศธาตุช่องว่างเอออากาศธาตุคือช่องว่างอปนะนั่นรวมไปให้ละเอียดเป็นหกธาตุมันมีอยู่ในโลกเงี้ย เดีวถ้าว่าวอย่างก็สี่ธาตุถ้าว่าตัอย่ก็บอกธาตุแต่คิดต่านั้นแหละมันมัามานโนธาตุตัวนี้เป็นธาตุรู้แล้วใครมาเห็นธาตุตัวนี้จะเข้าใจโอ้โหเนี่ทําว่าอะไรธรรมะตัวพุทธะใครเห็นพุทธะตัวเป็นธรรมะใครเห็นธรรมะตัวเห็นพุทธะเป็นไวยวัเป็นไวยวัตถุเดียวกันทีนี้ถ้าธรรมะก็มาปฏิบัติตามไงคาสอนการเจ้าสอนเนี่ยการปัญญาใจเนี่ยให้ มันเป็นธรรมชาติตัวนี้ตัวนี้มันสังฆะชาว่าเรียกจญะพุทธะสังสังฆะอันชาว่าเรียอาจารอันเดียวกับพุทโธนั่นเองนี่ยขยายออกมาจากพุทธะนั้นองพุทธะมัทที่เดียวกันนั่นเองขยาไมหลัเมืนนั่นเองหมดไล่ออมาอืเดียนี้พอเราเห็นนั่นนั้นเนี่ยไปเข้าตระกูลนี่นุปฏิปันโนมกวัตโตสาวตัณโกเราเป็นสาวกเป็นเจ้า เป็นผูดเชื่อฟังมัสงสวิรออกการวิจัยใจนี้มาปฏิบัติตามที่มัสวบอกนีปฏิบัติดีเห็นไหมไม่ไปขอดีมุขสงดีบูจาใจดีต่อรองดีไม่ใช่เนีป่ปฏิบัติดีอกการวิจัยใจเนี่ยมรึกช่อด้วยที่ท่านให้เราก็ละเสียลองที่ไปท้าตึกแก่ความสงบเรยตบลับปวดจิตใจเราอะไรนี้ให้เราร้อนไม่โกรธไม่เกลียดให้ชังอะไรเนี่ย แล้วก็รักออกอยวาไปผลิตอย่าไตามขึ้นมาถ้าเราไม่ทมันจะมาแต่ไหนเนาะีนีมันเราไม่รู้เราลิบขึ้นมาตามขึ้นมามันเป็นเป็นัตรูเป็นท้าที่กับเราไงของควราเป็นนิวรจิตเรไม่สงบไงนั่นแหะเราต้งขจัดออกไปจะออกไปในเช้าชำระหรือว่าถ้าปางานนะลรืรักวางแล้วเนี่ยจะเป็นเพราะตัวนี้มันเป็นเป็นเป็นสัจจะเป็นเหตุทุกเกิดใหลักอริยัจธรร มันมีทางเดีต้องล่างเน่ยถ้าไม่ล้างไม่กำจัดออกมันก็การที่ card. มันจอกว่าเราไม่ป right ัด right ฝุ่นเ็ถูมันก็ไม่สะอาดอย่างเงี้ยมันต้องทำล้างออกต้องล้างอย่างเดียวหละเห็นด้วยการนั่เนี่ยเพื่ออะไรที่ใบอะไรเพื่อมันอยากเป็นภาพในทิฏฐานเลยนี่ล้างออกอันนี้ก็ไม่ก็ในจิตใจมันก็ต้องเอาออกถ้าไม่ออกมันก็เป็นเครื่องปนมันถ้าเป็นแผลถ้ามีเชื้อร่วมอยู่มก็ระบาดอยู่นั้นแหละไม่หายแล้วเจ็บอยู่นั่นแหละพอเมื่อมันแผลสะอาดมันก็หาย เราก็เมืเ้อกเลสรนองเมื่อไปะสงบนี่ย่อไะงบได้เมื่อไรงดมกสงบเมืนิ่งก็น่งพึ่งได้ไได้ถ้ามันมีเือนั้นมันก็ไปสงบไปแล้วมันก็ริ่นเปียปดเกรงอย่นั้นน่รอารมณ์นเกี่ปัจจัยอารมณ์มรปัจจัยอารมณ์นั้นมันพักนนีีมากไไปพราะอารมมันพักอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังอารมณ์อิจฉาพิษยาเมเ่มากมาย นี่คนสงบจับอารมณ์เีเอกใหอกเอกกัตารามเอกก้อนหนึ่งอารมณ์นัเป็นอันเดียวไม่ลายอารมณ์ยเนี่ยเป็นเป็น่งอันเดียจะเป็นหนึ้องพุทโธได้นี่เดีจะเห็นเองไงชัดอรเนี่ยอันนี้เราต้องปฏิบัติไม่ได้เกิจากขอการร้อนรังโมสูงัหมต้องมาปฏิบัติอย่างนี้มาทำขึนมาเจียเวลาเจียดสถนที่เงียบอย่าง้เาไปทำอยันเรื่อยทำอยูย มันก็จำนาพอคิตนองก็เป็นตรีมายาขึ้นมายืนยันเลอ ย, ยื น, นยันตร้มันมีอยู่จริง ย, ยในใจเราเนี่ยเป็ขาดเออคารู้ควาเข้าใจขาดการปินบัตรไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาบอกเลยพราะพุทธศาสนาจุดเด่นมันยี่คำสอนอสะวะวาโพะพธตธรรมโมพระพเจ้าตาไม่ชอบแล้วตาไีแล้วไม่เห็นวาตองว่านอแ ร, ว, รอว่าไายอะไรเนี่ยแไม่เข้าใจคสอนเลนันนะ ถ้าเข้าใจเรื่อเอามาปฏิบัติเนี่ยหรือเอามาวัดดูรดกายเราจะได้ปฏิบัติตามึ้นบอกคนสอนว่ายางถ้ามาฝนมันมาตรฐานนะขึ้นได้อาศัยได้เพราะมันจะปลดปล่อแต่าม่พูปฏิบัติเงี้ยน้ำตาองมารฐานไม่ปลดปลนไม่มีอานิสงส์เราก็เลยเข้าใจได้ขึ้นมาในความหาวัดมันงมีความหมายไงทีนี้คนประเมยนเกียรวัดไม่เข้าใจวัดแล้ว่าวัดคนมันร่าสมัยทองเครื่องอะ อย่างนั้นไปได้อีกมแม่เห็นไหมรู้ถูกยันย้ำอีกถ้าพูดอย่างนั้นวันได้เก่งอดดีไม่มีดีจะอดขายโง่เลยอันนี้พูดอย่างนี้เราเป็นก้าแลนะ้วเป็นยัยนย้ำพราะเป็นเจ้าพูดเป็นเจ้าของศาสนานมาวางว้เนี่ยนี่นี่คนกิเลสนะปัญญาอย า, ากมาวางนี่คนลุกแย่งโลกทุกสามมากิ เ, เลสแล้วน่นมาวางนี่ทำไปพูดอย่างนั้นเราก็เป็นโทษเห่นไหมของไม่มีโทษไปก้าเกินเราได้มีกาอยู่นะวาจาอย่างว่าจะต้รัทธ า, าน่ะ พุทธเถงกาประกาศัอย่างุโิกนดอธิมกันรว่พุ่นี่ขอมาเนี่ยเาทำในพิธีกรรมไปเนี่ยม่รู้จาราจะท่ออะไรพราะเราไปตั้เกินสิ่งที่มันเลอเอนเราเป็นคนเลิคนประเสริฐเราไม่เข้าใจเ่เไปเข้าร้าไปพูดรูถูกเยียวยาสองเลิ่อนโลกนี่เห็นล่ะพุทธรัตนธมรัตน์ตกอเลิ ในโลกทางเป็นวัตถุก็คือแค่บินจินดาแก้วเวนเงนทอเป็นของเลินจตามจ้าจุดหนหาเสบหายอยู่ในนั้นเองโทีเขารียกวาเป็นแค่สอยมีค่ามีราคาที่เ็นะแต่ในพุทาสนายุกปิยมยญนพักพุทประารผสมเป็นของเลินนพักพุทธรรมสในโลกเรื่องนี้เราไม่ได้รู้เลยไรอกรจะเด็รื่องยงไคิัอางนี้เจะได้จรงายมาเนมเป็นมา ตลบหกปีย9ิบเก้าปีออกพรนหวดสวยหาาทาพิโมกนี่น่ะตลบไปตั้งสามครั้งเนี่ยถึงได้ทรมาพิธะมัยมาสอนพวกเราไว้พวกเรามาได้ยินในก่านชุบกระเบิเดี๋ยวไปได้ ง, ง่ายอ่ะเราไปาจาะเวราดูทีเนี่ยเออมันยากขนาดไหนเนี่ยวัจะบทร์พิจเราปัญาเาใจได้เราไปเห็นของไม่มีค่าไงแต่สิ่งเห่นี้โอ้แช่เวลานานแค่แคไหนี่ดูแหรือมเกิดิินนพททัทธายุทธะมนนำมาสั่สอนไว้แป ความตงการเาดาวอย่าไปทเดียวกันไปนไปเ่ไป่อไปแอนี่ยิเความสมวเดียวกันมีสาะที่ซ่งเมขอบวชนั้นทิ้งกิเลสมากมายมาเป็นลดทั้งหญิงทั้งชายไม่ถึงยุคปัจจุบันีาเห็น่เห็ไหิงักษาที่แฝไม่ทีแก้เป็นปฏิเป็นพาตุน้องขอตาเราเป็นพระธาตุเห็นไหมเออยุคปัจจุบันเนไม เยอะแยะไปหมดพเพรามรดกเราเป็นสมดมีชาติมีพระบาราชาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งสมุนมันต้องมีสามท่ามันเราไม่รู้มันไม่มีใครพูดแต่เราคงว่ากันประธ า, านพูดเน่ยพยากรณ์ไว้แล้วร้านไม่ยินดีก้วงไว้ไปได้มีกำลังใจดีใจจะมันให้ความเคารพให้ความให้น้าหนักรักให้น้าหนักเนี่ยแล้บอกทามาเยอ ตาสนาไม่เงี icism, ้ยมันยังไม่เสื่อมยังไม่สูญยังไม่ซาลาทานใจพวกพอดีไหมให้สมบัติสมควเนี่ยเพียมันไม่ถึงเราว่าเราเดือดยยามเงี้ยเราจะเห็นเขาปกป้องเราในหยดยามเราไม่ปฏิบัติเราปกปองอยู่ตรงนี้เราจะเห็แก่ไงเออมีชาวพาวันนี้เราไปมาวัดอย่างนี้เราไปที่แก่เราเราเปรียบได้ไปโทษในวันในเดือนรนปี่วันนั้นไม่ดีเดืนั้นไม่ดีปีนั้นไม่ดีชั่วโมงนั้นไม่ดีอ้าว เป็นต้องไปเจ้าภาพมาไหนนี่โทษในวันในคืนในปีเนี่ยมันมีแต่เมื่อยไปแจ้งมันจะถึงจำปันมาแล้ไม่ไปแก้ทำไมน่นี่เ้ก็จมายเห็นเออเรผิดตรงนี้ไปบอกอตรงีเราปัติแก้เลยไ่ใช่้าทีห้ไม่ใช่นองเข้มาเอรี่ไจะโกรธตรงนี้ตอนไมารู้ทำธาตุที่สี่ข้องี่ห้าออยุธาหกเราเจริงไงมันจะรับต้องน้อนับโเนี่ยธาตองม่นะนัมีที โมขาดของดินมียี่สิเป็นรการทั้งหมสองทีนี้เมื่อมีเศษดินกองน้ำไม่มีใจคลองเนี่ยมันมั น, มนเกิดอไอ้คนไม่ได้มันต้องมีใจคองเอาตัว น, น้าเนี่ยวิ่งมาไว้ที่ซาลโวเอาตัวที่ตัวหลังซาลาโวนั่นไปว่าตัวนหน้าเป็นมันโน ม, มีใจคองขาดดินนั่ น, นยงยังไม่ตายอะ่ะ่เลยอยู่ในท้องแม่นั่นแหละตัดหั้อออกมาตัดแนเนอร์คนมีใบนเนอร์เนี่ย ตัดสายสะดือขาดมาฟ้อง้องได้ดขอร้อไขขอไขได้หมดตกใจบู ร, าารพาใจเขาเปียเกเทียวมันตกเหน่ไว้ชว่วยหลวนพ่อแก้แคบหรือปะจำไดรอคอต อ, องมเอ๊หาเอ๊าเอ๊แล้วมาเรียนขอไข่ขอไข่หน่อยแล้วก็ลืมมาหลวงไม่ได้เกิดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะวันนี้ในหลวงามโมใครเนีน่ที่มาถ้าว่าพูดว่าขอรบขอพระพุทธเจ้า ถ้าว่าเรียบร่างเดิก็คือพ่อแม่เราเนี่ยเพราะถ้าเราได้แขนได้ขาได้นั่งได้เนื่อมาจากพ่อแม่เรานี่เราจะมอาอลาตันอยู่ไม่ได้มันทําให้เป็นโทษไม่ได้และมันทําเป็นขี้เป็นคุณแม่ต้องอลาตันตอยู่ต่พวกเนื้คุณพ่อแม่ไม่เห็นเนื้อหรือประเทศชาติเป็นจินเกิดที่เรามาเกิดเนี่ยมีคุณเราเรามีพระทศาสนามาสอนเราในทุกสิ่งทุกอย่างให้เราปฏิบัติดีเป็นชอบถ้าไม่ไปฏิบัติชอบ สิ่งนั้ันเป็นกรรมขงเานก็ทำลายเราให้แยไปให้ดูจับพับผูที่เป็นมนุษย์นี่เป็นเกิดแต่พระเจ้าเป็นเตรไปนั้นอ่อภักแล้วไม่มีพระเจ้าไม่มีธารมวินัย่อันนี้เราแต่อาภักมีพระเจ้ามีรวินัยเนย่งือเื่อยังป่ยเมื่อป่ยไปเรื่อยๆไปียงเยวประมาทอย่น้อย่างผมไม่มีเวลาไม่ว่าไม่พอไม่วยยไม่ตอสระเรื่อง เวลจะเจ็บจะตายไม่เห็นมันกไม่เหนปัเยเราเนียไม่นแก้ัวเรเนี้ยอนี้เยเรา้อหลับทับจิตมีจิตไม่จิตเออเนี่ยนอนหลับนอนหลับนน้าเบนหวู่ัว่านอนจะล้างบนของเราเนี่นอนจะล้าบนระนี้เบนมานานแล้วอาจารย์ีว่าอย่างนั้นอีกเลยมันจะเป็นส้กคนเออแล้วาพูดห้เรคิดเนี่ยเวาาหมายว่าเรามีจิตเราไม่จิต เนี่ยชอบไปข่ามขีดขิบเพื่อให้ทนเ่อให้คุณวันวันเงินตัวเองตัวเองเี่มีจิตจะทาว้างมีก็ได้ทํามางเชื่อก็ได้ไหนเราฉลาดมาทํา้างมีใน้จใ้ตอนมันได้ไปสมบัติเพามีโหน้าเราไม่สาเร็จทีเนี่ยมันต้องเกิดแต่ไม่ใช่เรามาเกิดดีๆเป็นเอะไรมาเกิดได้แต่เงี้ยตลอดไปไม่ใช่กาทําผิดพลาดหรือครอครัี่ไม่เป็นศาสนาไม่เป็ประสงค์น่มันจะไปเกิดท่านเราเป็นห่วงเป็นใยไงท่านเามาบอกมาสอนไว้มาข้ามไว้ไม่เห็น ปัจจวัตัไว้บางให้นกในเเดือร้นก็ไม่เข้าใจไงพาไปจำเดดรอนปัจจุบันเือดร้อนไปปราหน้าไม่เห็นปเปิดทุกอย่างแล้วมานั่งเรามือปองนเนี่ยเกิดไม่ได้โอ้ยเลยทำไมจะเลือกไปได้อันนี้มันไม่เลือกมันดี้้วนเออปล่อยชีวิตไปตาอยาตาตามนี่ก็มาสอนมาบอกต้องไม่เอาเลยมึงจะแก้ตัวให้ัแก้ไขบอกฟ้องอะไร้ประจำต้อไม่เอา ไม่เห็นโทษเพาะ้ไม่โทษตัวเองไม่โทษต่ว่านีคืนใปีเดือนสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไชวไปด้คนอื่นเอาดีมาใส่เจ้าของใช่แล้วไม่เห็นที่แก่นิ่มันติดดีแล้วก็ไเห็นที่แก้แต่มันติดชั่วเออมันไม่ปกป้องเลยมันเลยที่แก้มันเลยนั่งไปบริหารความผิดทำใหมันดีขึ้นอันนี้เออบริหารคามผิดไม่เป็นบุนิดเาไม่รู้ไม่ยอครับก็เลยยุ่งคุกอยู่อ่นีนะ แล้ววายางวามปิดนี้มันถูกถันเป็นนักแก้ปัญหาทำเป็นดีลยกมรับเหมือนขาให้โอกาสแก้ไขเนี่ยเออคนดีชอบแก้ไขเนี่ยเห็นไหมล่ะแต่คนจัญไรมันชจบแก้ท้วมันจ้วงมันชอบทำลายเออคนจริงมันชอบทำคนไรยย้ยามมันชอบจีไม่จะเป็นคนประเภทไหนนี้มันชอบสอนอะไรแล้วนะต่พี่นารู้อันนี้มันเป็นอย่างนั้นเราพูดเรานี่นะ ถ้ามาทำตามไม่จะบอกตอน้ไงโอ้มันเป็นดีวันดีคืนเ่ยเ้ามีใครเป็นเดือดร้อนเป็นเป็นทุกข์หรอที่เขาศาสนาดับทุกข์ศาสนาเกศทุกข์อยู่แล้วไอ้นี่ไม่ไ้เราทุกข์เกเพราะปฏิบัติไม่ถูกไงเนี่ยไพิจาราดูได้เนี่ยที่พูดที่แจ้งเมื่อกี้ฟัน่ะมันเป็นอย่างนี้นะเราเกือบตั้งร้อยเลยแลว่าัน่าีอประกาศร่ีศาสนา่ีพแล้วหศาสนาอ่าง จากะนั sea, ้น oh, ก it ็ค้องัึ้นมาจังหวโอ้ดัวได้ปากตะกบกจิตใจหนะเนี่ยดนะยปวดเาวดดีเอวดชั่วเลยหวดดีแล้วมีนี่จะหวดเป็นจ้ามีกี่ด้วยเป็นนรกกระสับนัยนออกมันปวดไม่นีทำคัามเพียรแล้วไม่เน่าไปพูดใหโเขลขึ้นมาทำความเพียรหกปีถล่ไปทังสามครั้งทืนสมาธิแน่ไมไสอนมาบอกน่สมบูรณ์แน แค่ น, นี้มาพูดเอางีเฉยยอ้ยตายหนาเนี่ยเป็นอยนะนั้นแคนไม่หาความเดิมจะใชิตจไม่ต้องว่าเพราะอะไรใจที่มาที่ไปเออไม่เติมไม่ดามาพูดเป็นสาธรรานี่ไม่ใช่อยู่ๆลกลันึกมาไม่ใช่กมากดีหมดเลยบริจูเกตกับพวกนักจิตแล้วเอาความว่มาเอูมราชาอาณาจักไหนยากข้างบางไหนไม่ดีเลออกไปนี่ ใตัวปพระเจ้าแล้วดึงทานปัญญามิชาอาโลโกเกิดในขึ้นในวิจของท่าน่ท่านี้ป็นัญญายาท่านจะุกเป็นพระเจ้าอ่แล้วไปสอนาว่าแด้วเลยวิชาคาด้เี้ยงเกิดคุณพระเ้ไปสอนไปสอนวิทยาศาตร์เดดาวอกขึ้นมาัญญาขึ้นมาปัญญาอัญญสิปัญโยญญานุรนนรนโนใช่ไหอใช่คุณทาาตัวดงมันขึ้นมา ปกอบอาณาจักรวิยาสูตอีราไปสึงเกิดไปผ่านานเป็นลาดับลำดับไปเนี่ยกูถึงใจรักอันนี้จำนรัตจัน้าันตั้งอยางนี้เป็นอยู่นแต่ไหนจะเไยมาพูดถึงคันธาเรเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสัญญาปัญญาที่ไม่เที่ยงอ่ะก็คือใจรักนั่อันนี่กล้าทำตัวนี่เป็นของชั่วขาวเรามาใสอยู่นี่นะมีแตประกอบไปด้วยอะไรตหนึ่งๆแต่นัลต้องมันสมุทเรีกยติดแต่สมุทรแ่วนี้ว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นของเป็นเรา มันเป็นสมมุติขอจริงๆมันไม่มีมีอาการอันหนึ่งผมอยู่เ็ันหังที่ท่าได้ในอาการันี่สองไม่เห็นแล้วไมมีจิตมาส่ก็ไปขอไปฟังแล้วไมเห็นท้านารู้นี้ไม่อยู่อบบพอท่าพรู้ีไม่อยู่เรกว่าหมดบุญน่ะนี่มานทำมาหยุดแล้วถอนว่ามันจะต้องไปลเนี่ยห้รอยู่กางฟ้าเพราะมันมีไฟ้งแล้วเหอนก็ไปอป่าไปอยู่งไปเกียร เราไม่ต้องไปถ้ามีอะไรที่จะติดตัวเราไปไม่ให้ไม่ไปเกิดไปพ่อมันไม่สามพี่สามแล้วมานั่งบนเรามันท้อกอ่ะต้องเตียงเสียเนี้ยเนี่ยเราก็เกิดได้ไม่ใช่เราก็เกิดไม่ได้จะไปหาโทษมันต้องแหล่มัจริงมันก็เกิดไม่ได้อันนี้มันไม่เลือกอันนี้มันไม่เลือกไม่เลือกทําเรียนได้นะ่เลือกไปทํามาได้อันนี้ไม่เลือกทันที่วันนิ่งก็มักกำลัง่อยู่ไข้คนที่ปวดมันทารงไปไม่เลือก นี so first, ่ออกความเตชีทั่วเอาเลยไม่แยการแยกแยกงิน้ไม่กส่วแบบนั้นส่วนก็แยหมดเห็น้คงถุงชนไปได้บัดบกครัแขนัรมานอะไรแนี้ตอนนี้กัญญาตตัวเองไม่เห็นคิดทพิา่หทุกอย่างเปิดเผยหมดไม่มีนี่ครับปิดบังนี่นตอนนี้เปิดเผยขนาดนี้มันเป็นบ้าขนาดียังหลงขนาดนี้ เพราะนี่มาปิดบังตอนแรกมันยิ่งแรกใหญ่แนี่ปวหมเก็บแจ้งหมดลถ้าใครคนมีปัญญาพูนี่ออกปากโอ้สมนเ้าเนแจ้งมีน้อก็แจ้งไปที่ไวในหนานาคนในตายไม่หมดไม่เห็นาน้ามหน่อยงาไหนะรอย่างนี้เลยนะคำว่าสมุนเจ้าเนยบางคนฟังนะเมื่อแจ้งมีผลหมดอ่ะนี่มลองให้เข้ใจเข้าศรสมุนเจ้าที่ไหนี่ได้เลย นี ką, ana, se se ่จะปรารถนาทุกการเรืตลอดไม่เคยว่าไม่เคยอยู่แต่จามเอาแต่ผลแต่เหตุไม่มองเมื่อเป็นดับแต่จะทําเนี่ยแต่จาให้่มันทุกข์กับทุกผลสมุดในนี้เหตุที้โทษทีอผลมากคือเหตุแล้วไม่ทําไม่เคยทําเหตุจะเป็นดับทุกข์ได้ไงเนี่ยนี่เขาไปแปรตรงนี้ในความเราทุกข์กันเลยอันนี้โทษเราเราทุกข์ต้องทําให้แจ้งเลยแล้วทำให้แจ้งแล้วยังอ่ะยังไม่ทําอย่างงเลยเท่านั้นเลย นี่ทาไปแจ้ทอะไรอ่ะก็ต้องเดินมราเดนปัญญาไม่เห็นเราไม่เดินปัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นเราคิดอะไรเรียนสตร์าต่นั้นเนี่ตตอบได้เราทตัวก็จะปิดถ้าหนูรยสตร์เนี่ยเราไปชั่นเลยเราทำตัปิดเราสงบมีผลมีนิสงส์เยเงิูภาพเห็นกัเองูตัวเองประจักษ์ตัวเองยิ่งร่งรวยเนี่ยยอมหมเ่งมาแค่ไหก็ต้องยอมทีนเจ้ากลับหมอแทตายิ่ร่ำง มนใคระไกระด้างกระเดืองไหมจะมาหักหลังแทงขางหลัี่รมร้องไม่ไดแลนายกหักหลังแทง้งหลังตลอดแตม่มันมีทีรอด า, าหม ด, ด, ห ล, งตตดลงหลวงพ่ออาารย์ไหวเลยตาพระเจ้าตาหน้าตาเห็นเรายตาเย็นใจรูน้ำตาตาเลยหมันลูกเห็เหชื่อไปจิตในใจเห็นเป็นแบบเป็นฉบับได้เป็นกติกได้ไอ้เป้นน่ะ มวงคนมอดที่ไหนเนี่ยพิจารณรช่วยชาติคนุกชาติเขาได้ตากราว่าท่านก็ไม่ได้เยนสูนงอะไรแค่เป็นมหาปอา ม, มัน็ยนยุทะมหาปอสามนี่แต่ถ้าเป็นวันีเป็นวัน่ไม่เห็นหรือปปยัวันนี้เอพระเจ้าน่ยลเนีนอพระเจ้าถึงมันญายังไม่เื่อมยังไม่สูยังไม่สาไปเราได้มาบแล้วเห็น้วมันบข้องอยู่ที่ใครลนีไเจะได้เห็นอบ เราจะมีกำลังใจมาบอกพวกทีเราเรามีมูลวัฒนาแล้วมันเรียของดีจะของดีมัย่างของดีเนี่ยเป็นเรองใหญ่กันนะเอออยางของดีไม่ได้ของดีจะของไม่จะของดีมันมีเยอะนะอยู่กับพ่อแม่ไอ้นี่พ่อแม่ดีเาว่าไม่ดีเนี่ยอยู่ั้าดีดีว่าไม่ดีเ่าดีดีเีทุกอย่างเลยไอ้รอยู่ยนิาเนี่ยไปนะ มันแต่ละปัจจัยเดี๋ยวนี้นี่ยเราไม่ศึกษาดีๆนะเออไม่ศึกษาข้อมูดีๆมันอยู่งีันจะของดีนเออมันทำรายจิตวิญญาณไปเยอะนะเป็นบ้าไปเยอนะเวลาที่นะมันกำลังกำลังกำลเลิกศึกษาไม่ระวังเป็นบ้าไปใหญ่โตแล้วอันนี้เราพูดในความไม่ก่อเลยนะมันพาเรื่องพุปฏิบัติถึงพุทประจรมสงฆ์นะไอเราเข้าไปในน้นในวิธีเพ่งแน่นอน เออเพราะคำนมันถูกคำสอนนี่เลื่เลื่เออไม่ผิดจริงมีประโยชน์งนมาตัดนำมากรานมาสอนจริงมีประโยชน์ไม่ไม่นมาันมากานาสอนเลยืยสังคัด่อไนา น, นั้นอ่พะพเร า, าึกาใไปตามั้นยงไม่มีทุไม่ทถ้าไม่มีนิสัยมาปาพาเราเลย่เนเนี่ยกเราปฏิบัติต้งนข้ามปฏิบัติเท่านั้นแหละนปัถูก ต, ตามที่บอกคำสอนไม่ ก็ลองดูว่าพิาก็ได้ท่าสอนอย่างเช่ น, นสอนในรช่วเห็นไหมก็มีความสุขสอนเนี่ยทำพุทธของเราความดีก็มีความสุขเห็นไหมลงทุนไปแล้วตรงไหนมันขาดทุนบ้างวะฮิจารณาดูสิไปทำลงทุนอย่างอื่นจะขายได้มากขายไม่ได้บออ้างจะขาดทุนตรอแต่พระเจ้าที่ลงทุนไปแล้วกับายใจนี่ยหวาเก็บต้อนหมดล ว, วาเชื่อเรามีความสุขไปทำนมมมีความสุข ไปหาข้อศอกอ่างนี้นะอไหนเกิดมาเจี่ย่าี้ยเราไปคิดดูนไปไล่ต้อนดูนะาที่ค้างที่ยไกเออมีแต่นอมแต่กาวามพปบตดีมาชอบตามที่บอกในการต้นผลแม่ปฏิบัติตรงปฏิบัตเป็นธรรมเป็นชอบยิ่นียนั่นแหะจะสมมติสมผลจะเป็นรักเพียบุคคลคนกาศคนไหวคนตั้เนือใจเป็นเนื้อละบนโลกไม่มีเนื้อละบน เดยิ่งสวาที่ทกาวไป่นแลพคุณนั้นไม่ผิดไปจากนี้เลยแต่มาเกิดจากทาปฏิบัตินะเนี่ยเกิอจากท่าอ้อนทาพท่าอะไรมงสวงติดตินบนันไม่ใช่ว่นธรรมาเมันมันถูกธรรมาที่ดีมันสอนแล้วม e er ันต์ภนคาทจพิจาาทุกวันเอาว่านี Ox ้ทา่าอาป็นึงทานพอมพิจารใช่เอาคำา้ทำไปต้องพารณาทุกวันเราเราเน์ชอบไงธรรมะที่ดไงเราเันชอบก็ไปยออง้เลย เสกโกยนั like ่นเลแก่ต like so ัวเังนั่นเลยกรงเห็นชอบกัี่ล่าทิฏฐิมาหนะาหมด้ลยท่านว่าไม่มีความตถวร้ายใดๆที่มาุมาทำุผู้นั้นเนี่ยเี้ยามตชักท่านวิจารณิติเห็นไหมพอเห็นิดแล้วปย้อะไรสอนอะไรก็บอกอะไรดีขนาน้ก็ไม่บักเนี่ตัวร้ากับตัวเราเองนะไม่ใช่ใครอื่นนะตัวเราเป็นปฏิปักเองนะเพราะนั้นี่ไนท่านให้มามองเราดูเราอย่าไปตีผู้อื่น ให้ติเรามงพวกเราเห็นที่แก้ไขถ้าไปมองคนอื่นไมเห็นที่แก้ไขเราไปะเลาโมบี่นั่นเลยโกรธในอย่เนี้อุ่นใยเงี้ยราก็กระเทือนอยู่นแหละแต่ถ้ามาเห็นใครสงบเลยไม่เห็นเขทําไม่ถูกามของเขาทุกข์อรอยู่แล้วเราไปจะเอาเราไปใส่หรือเพิ่มเขาก็รอเขาก็รัไม่ไหวแล้วแบบนั้นนี่ในขาวแดงนี่เนะอาปฏิบัติ้เราพัฒนาติาได้อย่างนี้ตที่อธิบายเมืนี้ รับรองต้องเจอดีแน่นอนวันหนึ่งไปชากก้าไเร็นเนวแหลเพราะจไม่หยุดไม่หยอนนี่ยเพิ่มมาเติมอยู่ตลอดเลยไทานี้ไทางถูกไปทางใดเด็ดางันี่ทาง้นี้่ะบอกาแล้วอินเดียแล้วไม่มีกลิ่งไม่ยอมานีแลนะ้ไม่มีรับแล้วมาต่อแหงนั้นแ่ะมีทางรับทางเลสไม่มีพรจุมาฏิะั ต, ตาราาเซนาวิัมบุจ า, านนนในธรรมะเจ็บเส้นแรกน่ะบอกไว้ชัดเจน ถ้าเราเดินตามเสี้ยนคำสอนถูกต้องเนี่ยนะวะไม่มีผิดใคมาสอนกระรุยกระตุ้นต้อผิดเราออกไปยังนิสิตศักิ์สิางนั้นแหะใครยู่ในสัตูกดิ์สิทธิ์แน่เลยเดี๋ยวนี้เห็นบ้าเดี๋นี้ไปหมาไปอ้อนไปม้ไปฮะห้องคำห้อแขงเยอะมากเลยคำสอนนี่มัเลิกมันไม่เห็นไม่ไ้ักมันไม่านิยมไม่นิยมเนงคงเลยเดี๋ยวลกเดี๋ยวอะไรไปตานานเป็นบ้าด้วย ความส่วน uh, ีเรือรอดจฉาัารีเดชให้หมดให้ิ้นเลกให้น้ำหนักใน่าไม่ยงเป็นบ้าหรือเราลงเลยพราจะยันี่ว่าไม่มีหลงเราแยกจากที่าเราพ้นทุกข์ทุกข์ถึงธรรมะเกษมเน่ยเอาี่เมื่อไ้ฟังแล้วมีฟังทำไปไในเนี่ยเพื่อใช้รายเป็นประโยชน์เอารย่าหนึ่งเดี๋ยวก็พรปรนละครแต่ม่ทำกันไหมกาไม่ผลกุรันรืพนี้ลน ภาวนาพูดโธโดเจ็ตสงบนะโอ้ยจำไม่ลืมเลยขยันอยูอย่หาจิตมุมงสงบนิเวศนะย็นๆที่สงบหือไม่ทีท่านถามไปตอบตอบไมเจ้าอ่ะเออในรูปภาพเนี่ยถนัดกายถนัดใจถัดกิเลนสเนี่ยมีวัตถุเนีเรื่องโลกมันมีเกล่อนระทบกเทือนกันตลอดเวลาเรื่อง ร, ร้อนใจกระเทือทรุนรงใจเ่อมงหมายรเจาอย่างรของจริงนะี ม่มีพิษมีภัใใยอะไรเดี๋ยวเราเหนคุณค่ามือยากเอาอย่างไม่กินบนะนีม่มันดังเราเลิกด น, นะถึง เ, เวลาไปออกกนะัน เลยชมรมเราก็รักษาธรรมทานหลายเรื่องหลายรูปหนึ่งแกเล s นโยกคนดีเยที่หนาถ้าทำอะไรเงี้ยให้เสื่อมเนี่เป็นไปกินนักกะปฏิปทาปฏิบัติไม่เสือมเราได้ปฏ h บัติ p a ้เสื่อมนี่เลยต่อไปเร่อยๆพระเจ้าคนรุกได้หรอกถาปฏิบัติไม่ต่อหนาไได้ทานแล้วมันก็จิ้มมาประสบผลเป็นเจ้าานา เราเกิดท่าวนาทานทีาเนี่ยทานสำคัญทานน้ำใหม่สีน้ำใหม่ปอนไหนเกิดสมบัติทานสมบัติีน้ำบภาวนาิเนี่ยนอจิตตัวเราแน่นอนเนี่ยเราไม่โฟมากเราเก็อาไปเี่ยไม่ตต่ำเนี่กิในแ่วกสงนันได้จำลงได้เกิดปไก็ไม่โง่ก็เต้เกิดป้องในอไม่จน เนี yeah. like, the no so ่ยแล้วคนเรานอยู huh ่ตามในย่างเนี่ยตื่ตามไม่เช้าเนี่ยนไหต่เขาก็อยกสวยารเปลี่ยนเราจบไปจเกีออับ้านเลยหนาเป็นทองสองูสอลังแล้วไมเรียนไ่ยา้โม้ไม่อยากให้ฉลาดนี่หาอยู่ไ่อปัุต้องมีสมบัินี่ยคนเราได้อย่างนึงขาดาได้าขาดอย่างนึง ให้เขาถามอย่างนี้กันทำไมผมเป็นมาถ้ามาเป็นแล้วเป็นสมบัติของเราแน่นอนนะเราฝากไว้อยากทาทุกวันแล้วมันเ้ากินข้าวกินทุกวันอาหารกายอาหารใจหมดทำทุกวันปฏิบัติทุกวันอ่ามันจะหมดเราจะถึงหมดเราไม่ใจได้ทำเรทำได้คนทำแน่นอนเลยไม่จีบวันแล้วเจะเสียเล้วเสียกี่น เป็นจิไทมีุดศาสนาเนี่ยคนทั้งโลกรอยแปบประเทศเยกประทศไทยเป็ น, น่ง ค, คนในประเทศ เ, เราเฉลียวไหลได้ใช้ไม่ได้แตดนีเออคนทั้งโลกวิสาธรรมมารอ้อยแปดประเทศเลยประเทศใดเป็นหนึ่งเออเห็นไจะปลูกมาเดี๋ยวพูดสอนมาเลยเยอะโตดไปโลกทน่วโลกโมาเลย ไ, เทไทย ตระวทาชาติมาสมัครสมลใช่ไหมทาชาติเป็นนะเ็นม่าัญญานอยู่ารณ์สามารถบุมรรคฐนไปจิตเป็นก้าวช่นน่จที่อยู่ที่ยอนู่จิตนอยู่ไหนคินะก่งรู้ไงบนึงบบายดานะลกไปไหนก็เดินไปมาไปก่อ ไปเลยจะมุ่งลงปแล้วแล้ไม่มาเวลาัยวไ่นาาเ่ันมอไกลนี่มันเ่าวรว ผู้รับบริโภคในทําร a เอวันเบวต้าจึงนําเบตาณมุปาคปฏิจิตตังรนะปันวันวิวาม อนตระร้ายโยนทุกข์ให้ที่กายุโกภวภิวานติิจม that the วปวาตบิยก้าปรินปิตรมุจมมหะเปี่ยวาพิราพาพวันตุเตมหปัญญามหราบุพวันตุเตนิเตมารีพุทันามะอาหุณโมพุทายะวิระนันโยนันโมเนยังวิระสาราสีเนดาสาวโยพุทัสสะมานีมะพุทธัสะตาวุฒาริยามิเพ่งเพ่งมามาลือือกินย่งบกยบอย่งร โอ้อุมมูนมาเงไรนองทองไรมายาได้ขาดงินได้บกขื้นหนเดอนได้ขาดขื้นวังนึกว่ากำลังมีคนกองมีคนแก่ย่าได้ขาดเกินถุกไอเจ้ามึงห้องใส่ถุงพตอมีบ่าวถุงพ่อไรเขาเต็มกระเป๋าเต็มโอ้โหโตต่อมมองกันมองกันรอตึมมองคนนองที่จงดีรักกันอยู่แต่ไม่มีประการเพราะแค่ว่าด้านขวางจงรักษา เจ้าบุคคลนภาพีนักเบณุามจงส่วนุิรันรขอความสวัสดีทัยจงมีตลอดนิรันดร์นุตุจังมังกรงอสันที่จงมีรวาขอทานุจงรัารมานเุามจรตนุิรันรขอความสวัสดีัยจงมีตลอดรันุังมังกร ขอจงบำเพ็ญนทำใจจงมีรักันดูมบันไดวัาขอเวดาวงจงรักษาบัั้านะวนด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาจายทั้งปวงโปรวันจบนี้รรขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดมิรันดร์